you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 ข่าวความกตัญญูกะตะเวทีของตุลินีนั้นระบือไปทั่วไม่มีใครสามารถปิดบังความจริงและความดีงามนี้ได้ชนทั้งหลายแม้ที่สูงอายุก็พากันเคารพนับถือตุลินีเหมือนเทพธิดาผู้จำแรงร่างลงมาเป็นมนุษย์แต่ตุลินีเคยเป็นคนสงบอย่างไรก็สงเงีน่อยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงพ่อรู้ดีว่าแม่ของเจ้า เป็นคนฉลาดเฉียบแหลมเพียงไรทั้งๆที่เป็นคนนิ่งความเป็นผู้นิ่งด้วยความรู้เท่านี้ทางพระพุทธศาสนาสันเสรินดูก่อนสุรเสนะมหาชนนั้นถึงอย่างไรก็พอจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกในขณะเดียวกับที่เขาพากันเชี่ยนชมในกิตติคุณอันเนื่องด้วยความกตัญญูกต่เวทีของตุลีนีเขาก็พากันเพ่งเลงบุตรีคนเล็กทั้งสองผู้มีใจกระด้างไม่เคารพนอบนอบ ละเลี้ยงดูมารดาบิดาของตนนางทั้งสองก็เลยกลายเป็นคนไม่มีใครครบหาสมาคมเพราะเขาเห็นว่าผู้ที่มีใจซามต่อมารดาบิดาของตนนั้นที่จะมีใจดีต่อคนอื่นคงจะยากยิ่งนักนี่แลสุรเสนาธรรมะกับอธรรมย่อมแผกกันมีผลไม่เสมอกันอยู่ในตัวเช่นนี้เมื่อจัดการให้มารดาบิดาของตุลีนีในครอบครองทรัพย์สมบัติ ของตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาอีกปีเศษพ่อก็ปราร ก, การร่วมทางไปกับนายกองเกวียนผู้จะคุมขบวนเดินทางเป็นวงกลมแบบที่รองกาลังทากันอยู่นี้ข่าวที่ว่าขบวนเกวียนของขรบดีบิดาของตุลินีถูกปล้นนั้นเป็นที่หวาดระแวง ของชาวขับกเกวียนอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นเราจึงได้ระมัดระวังในการเดินทางเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้ผลจริงจังในการป้องกันตนพ่อได้ฝึกคนขับกเกวียนทั้งปวงให้รู้วิชารบวิชาใช้อาวุธก่อนเดินทางอย่างถีถ้วนทำให้คนเหล่านั้นแปลกใจในความเป็นคนลึกลับของพ่อที่มีทั้งเงินและความรู้แต่พ่อไม่เคยแสดงตนเป็นคนพิเศษกว่าคนทั้งหลายอย่างไรเลยในระหว่างทางใกล้ถึงกรุงไผ่าลี เราได้พบโจรหมู่ใหญ่แต่ความรอบข้อพระมัดระวังได้ช่วยให้เราฆ่าโจรตายเป็นอันมากที่เหลือก็หลบหนีไปในการนี้เราไม่ได้เสียชาวบ้านขับเกวนไปเลยเพราะเราใช้อาวุธจากที่ไกลคือธนูและซุ่มดักยิงในที่ต่างๆจนพวกโจรที่มีชีวิตรอดไปได้เกือบจะพากันเป็นบ้าเพราะความกลัวเพราะยังไม่ทันได้ประจันบานก็เห็นเพื่อนของตนตกม้าตายอยู่สับสนท้งไม่รู้แน่นอนด้ ว, ว่า ลูกธนูมาจากทางทิศไหนบางครั้งก็มาจากข้างบนบางครั้งก็มาจากทิศตะวันตกและทิศใต้นี่เป็นครั้งแรกที่พ่อฆ่าจนเพราะความจําเป็นบังคับมาภายหลังที่พ่อได้พบพระพุทธเจ้าแล้วพ่อก็ใช้วิธีจับเป็นด้วยอุบายและเพิ่มความระมัดระวังขึ้นเป็นส่วนมากเราได้ผ่านเมืองภยัยาลีเมืองสาเจตและในที่สุดก็ได้มาถึงเมืองสาวัตถีราชธานี แห่งแคว้นโกสลพอรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ไปพบหาท่านอาจารย์ผู้ชํานาญในวิชารลบตามคําสั่งของท่านอาจารย์แห่งตักศิลาทั้งสองพอได้เที่ยวถามใครต่อใครทั่วไปหมดว่าทางประตูเมืองด้านทักษิณ น, นั้นมีอาจารย์วิชารลบตั้งสํานักอยู่หรือไม่คนทั้งหลายต่างพากันปฏิเสธและกล่าวว่าทางด้านนั้นของพระนครไม่มีอาจารย์ทางวิชารบเลยมีแต่พระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้สอนวิชาสงบพระองค์เป็นที่เครารพบูชาของพระราชากระบดีเศรษฐีลงมาจนถึงคนยากจนเขียนใจพ่อมีความฉงนสนเท่เป็นอันมากที่เรื่องกลับไปคนละอย่างแต่ไหนไหนก็ได้มาแล้วก็ลองไปสืบลาดเราดูทีได้ทราบว่าเป็นเวลาเย็นเป็นเวลาที่คนทั้งหลาย เลิกงานบริโภคอาหารเสร็จแล้วก็ชวนกันไปที่เชตวันวนารามเป็นทิวแถวเหมือนมีงานใหญ่เป็นประจำทุกวันโดยปกติพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลงแสดงธรรมณธรรมสาลาอันกว้างใหญ่แต่ถ้าเสด็จยาฤกไปที่อื่นก็มักทรงมอบให้พระสาวกผู้ใหญ่แสดงธรรมแทนขณะที่เดินไปจะออกจากประตูเมืองสาวัตถีด้านทิศทักษิตนั้นได้พบชายหนุ่มรุ่นเดียวกันกับพ่อคนหนึ่ง กำลังเดินไปพร้อมด้วยมหาชนพ่อจึงไต่ถามได้ทราบความว่าเขาจะไปฟังธรรมเมื่อได้โอกาสดังนั้นพ่อจึงถามเขาต่อไปอีกว่าได้ทราบบ้างหรือไม่ว่าพระบรมศาสดานั้นทรงมีความรู้ในวิชารบบ้างหรือเปล่าชายหนุ่มผู้นั้นตอบว่าเมื่อกล่าวตามประวัติแล้วในขณะที่เป็นราชกุมารเคยมีการประลองศิลปศาสตร์หลายอย่างรวมทั้งวิชารบเช่นยิงธนู ยกของหนักหรือการใช้สตราบทุกชนิดก็ปรากฏว่าพระบรมศาสดาทรงชนะเป็นยอดเยี่ยมเหนือรัชกุมารอื่นๆอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งนี้เพราะทรงจำเริญด้วยกำลังทางพระกายและกำลังทางพระปรีชาสามารถอาจารย์วิสวามิตรผู้ประสิธิ์ประาศาสวิชาความรู้ก็ยอมรับว่าพระองค์ทรงเรียนจบความรู้ที่ตนสั่งสอนแล้วยังดัดแปลงจากของเก่าขึ้น ใช้ได้ใหม่ๆอีกเป็นอันมากพระเตรของพระองค์เรื่องชำนาญวิชารบกำจายไปทั่วพระ น, ค, นครใกล้เคียงถึงกับเจ้าผู้ครองนครต่างๆเตรียมพร้อมที่จะอยู่ใต้พระมนาจหากถึงคราวที่จะทรงปราบดาพิเศษสถาปนาพระองค์เป็นพระบรมจักรพราดิร า, ร, ราบหัวเมืองใหญ่น้อยทั้งสีทิศให้ขึ้นอยู่ใต้ขอบเขตคันธศีมาอันเดียวกันแต่พระบรมศาสดาไม่ได้ทรงเป็นนักรบที่กระหายเลือด ทรงมีพระเมตตากรุณาต่อมนุษย์นิกรทุกหมู่เหล่าปรารถนาที่จะแผ่ธรรมเสนากองทัพธรรมแทนเจตุรังคินีเสนากองทัพที่มีองค์สี่คือทัพช้างทัพมา้าทัพรถและทัพเดินเทา้าทรงมุ่งจะให้ประชาชนมีความสงบสุขและข้อสำคัญที่สุดไม่ใช่มีแต่ตาเฉยเฉยหากให้มีแววตา หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญญาสามารถเข้าใจและรู้เท่าชีวิตของตนเองและผู้อื่นดูก่อนสุรเสนะคำพูดของชายคนนั้นทำให้พ่อฉุกคิดถึงคำของคนบางคนที่ว่าเรื่องของศีลธรรมหรือศาสนาเป็นเรื่องของคนอ่อนแอที่สู้เขาไม่ได้ยึงมาคิดตั้งคำสอนขึ้นเพื่อคนแข็งแรงไม่กล้าขมเหงหรืออีกอย่างหนึ่งก็เพื่อที่จะหลอกให้คนอยู่ในอานาจได้ง่าย แต่เมื่อมาพิจารณาดูจากพระประวัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกลับตรงกันข้ามพระองค์เป็นยอดนักรบผู้เคยประลองฝีมือชนะเลิศมาแล้วและพร้อมที่จะกรีธาทัพไปลุกรานข่มเหงคนได้ทุกแห่งเป็นผู้เข้มแข็งทั้งกำลังกายและกำลังจิตจึงไม่กลัวความลำบากตรากตรําบุกป่าฝ่าดงและความหิวกระหายแล้วพระองค์ผู้ทรงเก่งกาจในทางรบนั่นเองกลับมาสั่งสอนคน ให้ตั้งอยู่ในความสงบไม่ให้คมเหงเบียดเบียนกันในเมื่อพ ร, พร้อมที่จะเบียดเบียนคนอื่นได้เต็มที่นี่หรือศีลธรรมเป็นเรื่องของคนอ่อนแอของคนที่ไม่มีทางจะสู้ใครได้พระศ า, ศาสดาทรงเป็นผู้นำทางให้เห็นว่าเรื่องของศีลธรรมเป็นเรื่องของคนมีแววตาคือปัญญาไม่ตกเป็นทาสของความฮึดฮัดด้วยอานาจความโลภความโกรธหรือความหลงพระองค์ตรัสว่า ยอดของนักรบไม่ใช่ผู้ชนะผู้อื่นด้วยจำนวนพันจำนวนแสนผู้ที่เป็นยอดนักรบแท้นั้นคือผู้ชนะตัวเองได้ไม่ตกเป็นทาสของกิเลสร้ายที่สิงอยู่ใน จ, ใจิตใจหรือในข้อที่มีผู้อ้างว่าเรื่องของศาสนา หรือศีลธรรมเป็นเรื่องที่ต้องการหลอกให้คนอื่นหลงงมอยู่ใต้อำนาจของคนชั้นมั่งมีเป็นต้นเราก็จะเห็นได้อีกว่าคำพูดเหล่านี้เมื่อนามาพิจารณาเทียบเคียงดูกับความจริงในพระพุทธศาสนาแล้วก็ตรงกันข้ามคือพระพุทธศาสนาไม่สอนให้ใครเป็นทาสของใครพระพุทธศาสนาสอนอย่างช่วยปดปล่อยให้คนพ้นจากความเป็นทาสทั้งทางกายและทางจิตทางกาย ทรงสอนไม่ให้พุทธศาสนิกชนซื้อทาสขายทาสไม่ได้ยมให้ข่มเหงคนอื่นที่อ่อนแอกว่าให้มีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ยากจนค้นแค้นทรงสอนให้รู้จักพึ่งตัวเองไม่งมงายบิงวอร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ลงมือทำอะไรให้เกิดผลให้ขยันทำมาหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบทั้งยังสอนไม่ถือชั้นวันนะหากให้ถือความประพฤติดีงามเป็นเจน ผู้ปฏิบัติได้อย่างนี้ย่อมไม่เป็นทาตใครและไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเป็นทาตุส่วนทางใจนั้นทรงสอนไม่ให้มนุษย์เป็นทาตของกิเลสประเภทอยากได้ประเภทโกรธเคืองและประเภทหลงไหลมัวเมาเมื่อคนไม่เป็นทาตของอะไรทั้งทางกายและทางกิจใจเช่นนี้จึงเห็นได้ชัดว่าพระพุทธศาสนาสอนเพื่อปลดปล่อยธาตไม่ใช่สอนให้ใครเป็นทาตแม้พระบรมศาสสดาเองก็ไม่ใช่ จะทรงมุ่งหวังให้ใครมาส ก, การะเขารบบูชาพระองค์ทรงประกาศอยู่เสมอว่าประพฤติพรอาจรรย์ไม่ใช่เพื่อลาบส ก, การะและการสรรเสริญนอกจากนั้นยังถือการปฏิบัติถูกเป็นเจนคือใครปฏิบัติถูกแล้วก็ชื่อว่าบูชาพระองค์ด้วยการบูชาสูนกว่าทูบเทียนดอกไม้บางครั้งก็เคยตรัสว่าผู้เกาะชายสังาติคือผ้าห่มผ้าซ้อนกันหนาวของพระองค์ก็หาใช่อยู่ใกล้พระองค์ไม่ แต่ถ้าผู้ใดพระพฤติดีปฏิบัติชอบจึงชื่อว่าได้อยู่ใกล้พระองค์แท้นี้แลเห็นได้ว่าพระบรมศาสด า, สดาทรงสังสอนเพื่อประโยชน์ของผู้ประพฤติปฏิบัติชอบอย่างแท้จริงหาได้มุ่งลาบสักการะอย่างไรไม่เพราะถ้ามุ่งอย่างนั้นจะคงเป็นกษัตริย์ครองโลภิยสมบัติไม่ดีกว่าหรือ สุรเสนาเอยเจ้าเพิงสังเกตเถินว่าไถ่าคาที่ออกจากพระพุทธศาสนานั้นจะไม่เป็นไปเพื่อห้หาหันบันรนคนชั้นนั้นชั้นนี้แล้วยกย่องเชิดชูแต่คนชั้นเดียวพระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์ปฏิบัติดีต่อกันทุกชั้นและถ้าจะยกย่องใครแล้วก็ยกย่องเพราะความประพฤติดีของผู้นั้นหาได้ยกย่องเพราะทรัพย์หรือเพราะวงศสกุลไม่เพราะฉะนั้นใครก็ตาม ที่สำแดงตนว่าเป็นผู้รู้ไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมถ้าวาจาของเขาที่เปล่งออกมานั้นประกอบด้วยความริษยาอาฆาตความกรุเคืองขุนแค้นชักจูงเพื่อให้ทำลายผู้ที่ตนชังแล้วเจ้าจงทราบเถิดว่าวาจาเช่นนั้นเป็นของผู้ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาเพราะสมเด็จพระบรมศาสดาทรงสอนไม่ให้เป็นทาสของกิเลสอย่าว่าแต่จะสอนให้ลูกหานผู้อื่นเลย แม้เมื่อผู้อื่นมาจากจั่วล่วงเกินแทๆ้ๆท่านยังสอนให้เรายับยั้งความโกรธหาวิธีชนะผู้นั้นด้วยความสงบเพราะเป็นการยอมเสียน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียมากอันอาจเกิดขึ้นเพราะเราระงรับใจไว้ไม่ได้และเป็นวิธีของอารยชนดูเถิดสุรเสนะพระบรมศาสดาเป็นนักรบเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาต่อสู้แต่คาสั่งสอนของพระองค์ กลับน้อมไปในทางสงบในช้างไม่ขมหิงเบียดเบียนใครกรณีนี้เองอาจารย์ที่เมืองตกศิลาทั้งสองท่านจึงพูดเป็นเงื่อนงามไว้เพื่อให้พ่อได้รับการอบรมทางกิจอีกส่วนหนึ่งเมื่อไปถึงเชตวันารามแล้วก็ได้พบผู้คนคับข้างประหนึ่งว่ามีงานน่าชมที่คนเหล่านั้นแม้จะมากแต่ก็สำรวมกายวาจาไม่เอ็ดอึงพอได้ทราบมาว่าสมเด็จพระบรมศาสดา ทรงโปรดความสงบระงับในที่ประชุมภิกษุสงฆ์แม้จํานวนหลายร้อยที่พรงประทับอยู่ด้วยแม้ใครเพียงแต่จะไอจามก็ดูเหมือนจะมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะเคยมีตัวอย่างหมู่ภิกษุชาวเมืองอิจฉานังคะผู้ไปเฝ้าจํานวนมากส่งเสียงเอิงประหนึ่งชาวประมงแย่งปลากันสมเด็จพระบรมศาสดาก็ประทานบทเรียนแก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยการสั่งไม่อนุญาตให้เข้าเฝ้า ต่อมาเมื่อพวกเธอเรียบร้อยจึงประทานพุทธานุญาตให้เข้าเฝ้าได้เมื่อได้เวลาสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาพร้อมด้วยหมู่ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็เสด็จมายัางธรรมศาลานั้นพระพุทธลักษณะอันงดงามมีสงา่าพระอาการอันเช่มช้อยละมุนละไมช่างจูงใจให้หน่าเลื่อมใสเหลือเกินเมื่อพวกเราถวายบังคมกันเรียบร้อยแล้วพระองค์ได้แสดงธรรมที่พ่อจาได้ ใจความว่าความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มีคนที่มีไฟคือความรากักความชังและความหลงเผากรุนอยู่ในจิตย่อมเป็นผู้มองไม่เห็นความจริงเมื่อใจถูกกิเลสทำร้ายจะพูดจะทำก็ล้วนแต่เป็นไปในทางก่อทุกข์ครั้งหนึ่งตถาคตท่องเที่ยวไปในแคว้นมคตวัดสาการะพราหมมหาอมสาธแคว้นนั้นเข้ามาหาตถาคต แล้วเล่าความที่ตนมีความเห็นว่าอะไรก็ตามที่เราได้เห็นได้ยินหรือได้ทราบถ้าเราพูดไปตามที่รู้เห็นนั้นแล้วก็ไม่มีโทษอะไรแต่ทาคตได้ตอบไปว่าเราไม่กล่าวว่าสิ่งใดที่ได้เห็นได้ยินและได้ทราบนั้นจะเป็นของควรกล่าวเสมอไปถ้ากล่าวไปแล้วเป็นเหตุให้ทำฝ่ายชั่วเจริญทำฝ่ายดีเสื่อมก็ไม่ควรกล่าวแต่ถ้ากล่าวไปแล้วเป็นเหตุ ให้ทำฝ่ายชั่วเสื่อมทำฝ่ายดีเจริญก็ควรกล่าวตถาคตสรรเสริญผู้พูดเป็นสัตว์เป็นจริงแต่ต้องเป็นผู้รู้การที่ควรพูดคนที่เกิดมาแล้วมีขวานเกิดมาในปากด้วยคนพ่านกล่าววาจาชั่วยาบย่อมชื่อว่าใช้ขวานนั้นฟันตัวเองใครจะทําการใดๆก็ตามถ้ามีความโลภความโกรธความหลงเป็นร่างเง่าแล้วความชั่วอื่นๆที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นคนผ่านเมื่อกล่าวคําหยาบก็สําคัญว่าชนะความอดทนของผู้รู้เท่าต่างหากเป็นชัยชนะแท้ผู้โกรธตอบคนที่โกรธย่อมเลวยิ่งกว่าคนโกรธก่อนคนที่ไม่โกรธตอบคนโกรธได้เป็นผู้ชนะสงครามอันยากที่จะชนะได้ดูก่อนสุรเสนะเจ้าจงตรองดูเถิดพระธรรมคาสอนของท่านสอนให้พวกเรารักสงบ ให้ทากันใดๆด้วยไม่มีโลภโกรธหลงหนุนหลังแม้คำพูดที่ไม่เท็จแต่พูดแล้วเกิดผลร้ายท่านก็ยังสอนให้เว้นในที่สุดท่านก็สอนให้เราชนะสงครามอันยากที่จะชนะได้นั้นคือหัดไม่โกรธคนนี่แหละท่านสมเป็นอาจารย์วิชารบแท้ท่านเป็นพระราชาแห่งธรรมยกกองทัพธรรมหรือทัพความสงบเที่ยวโปรยปลายเผยแผ่ทั่วไป เมื่อพระธรรมคาสั่งสอนเผยแผ่ไปถึงที่ใดก็ทําที่นั้นให้บริสุทธิ์สดชื่นเยือกเย็นด้วยการตั้งอยู่ในคุณธรรมคุณงามความดีแต่ก็อาจมีบางคนเห็นไปว่าถ้าเราหัดไม่โกรธใครเราก็ควรไปอยู่ในป่าไม่ใช่มาอยู่ปนกับมนุษย์อย่างนี้เพราะถ้าอยู่รวมกันแล้วจะหัดอยู่สงบไม่โกรธเคืองรบราฆ่าฟันกับใครใครนั้นก็เท่ากับมัดมือมัดเท้าของเราปล่อยให้ศัตรูรัน ทำย่ำยีเอาตามพอใจนั่นเองคนที่พูดเช่นนั้นถ้าได้ฟังถ้อยคำของจันทรายนะอามาตกล่าวกับพระคุในวันสุทนากันที่กรุงรัชชฤคือแล้วก็คงหายเข้าใจผิดความรักสงบนั้นไม่ใช่มัดมือมัดเท้าไปให้ศัตรูยังมีคุณธรรมอีกมากลายที่คนบำเพ็ญเป็นการปลูกมิตรทำให้คนรักคร่นับถือและทาให้ศัตรูยอมแพ้เมื่อเราหัดบาเพ็ญตนเป็นคนดี จนไม่มีศัตรูแล้วก็จะมีความเป็นอยู่ภาสุกไม่ต้องนอนสะดุ้งผวาเพราะมีผู้จองเวีนอยู่รอบข้างดูก่อนสุรเสนะตลอดเวลาที่ขบนวนเกวียนพักอยู่ในสาวัตถีพอได้ไปฟังพระธรรมเทศนาทุกเวลาเย็นม่ได้ขาด รู้สึกว่าเหมือนก็นได้ชุบตัวขึ้นใหม่ในทางศีลธรรมพระบรมศ า, ศาสดาไม่ได้ทรงเกณฑ์ให้คนทุกคนต้องออกบวชเพราะธรรมะในศาสนานี้มีเป็นชั้นๆพอเหมาะแจกคนทุกประเภทจะพึงประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดีได้ทั้งสิน้นแต่ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ผู้ต้องการประพฤติปฏิบัติธรรมะชั้นสูงจะพึงออกบวชเพื่อตัดความกังวลต่างๆและมีโอกาสประพฤติได้เต็มที่ แต่ถึงอย่างไรแม้ผู้ไม่ออกบวชก็อาจนำธรรมะชั้นสูงมาสอนใจได้เพราะท่านสอนไม่ให้โง่ในเรื่องชีวิตผู้ละเมอเพ้อคลั่งกับชีวิตของตนจนไม่มีเวลาจะใช้ปัญญาพิจารณาดูให้เห็นเป็นเพียงของเด็กเล่นเท่านั้นก็จะเป็นเด็กอยู่จนแจจกจะหัวเราะและร้องไห้กับความขึ้นขึ้นล ง, ลงของชีวิตนี้เหมือนเด็กๆที่หลงของเล่นแล้วหัวเราะเมื่อได้มาและร้องไห้เมื่อมีผู้แย่งไป หรือของนั้นแตกสลายลงเมื่อพ่อกลับจากสาวัตถีถึงพรรณสีแล้วอีกสองปีล่วงมาตุลิณีแม่ของเจ้าก็สิ้นชีวิตเพราะเป็นไข้คงทิ้งเจ้าซึ่งมีอายุได้ขบกว่าให้อยู่กับพ่อตลอดมาจนปัจจุบันนี้แต่แม่เจ้าได้กลายเป็นเทพธิดาไปแล้วจริงๆผลแห่งความดีนั้นทำให้มหาชนสร้างศาลไว้บนที่รึกสาหรับสักการบูชากันทั่วไป คนงานทั้งหลายนับถือแม่เจ้าเหมือนแม่ของพวกเขาเพราะแม่เจ้าเอือ้อเฟื้อเผ่อแผ่ช่วยเหลือด้วยน้ำใจอันดีงามคนที่รักว่ามีความกระตัญญูกตาเวทีก็บูชาไปทางนั้นเพราะฉะนั้นแม้แม่ของเจ้าจะตายไปแล้วแต่ก็เหมือนไม่ตายเพราะความดียังอยู่ให้คนทั้งหลายถือเป็นแบบอย่างเคารพบูชานี่ก็ดึกแล้วเราควรจะพักผ่อนหลับนอนกันเสียที ที่ธนิยะกล่าวจบลงนั้นเป็นเวลาเกินกึงมชิพยามแห่งราตรีดวงจันทร์คล้อยเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกแสงไฟริบรีจากฝั่งน้ำด้านปาลิตคามเมื่อหัวค่ำนั้นหายไปหมดแล้วลมเย็นยังคงพัดเฉยทำให้กระแสะแม่คงคาเป็นรอกวิ่งแล่ ก, กันมีประกายยิบยับเมื่อต้องแสงจันทร์ชายหาดแคว้นวัชีมแต่ความเงียบสงบนานนานจะมีเสียงโคเสียงมา้า ร้องห่างเข้าไปทางด้านฝั่งในเสียงเรราจักจัรนตามพุ่มไม้ใกล้ฝั่งร้องเป็นระยะระยะชาวเกวียนทั้งหลายก็พากันหลับสนิทเป็นการพักผ่อนเอาแรงเพื่อการเดินทางต่อไปในวันพรุ่งไฟที่สุมค่อยๆมอดไปเทีลน้อยแต่กองระวังภัยก็คงทำหน้าที่ตรวจตราและเปลี่ยนยามกันไม่ได้ประมาทใครจะสนใจในความงามตามธรรมชาติในขณะนี้หรือไม่ก็าตาม ดวงจันทร์ก็คงคูดจอใกล้จะสะดงไปทุกขณะกระแสน้ำก็คงไหลลงไม่กลับหลังลมตะเพาซึ่งพัดมาจากทิศทักษิณก็คงพัดต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง